อย่างเช่นสิ่งที่เวทล้อมศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตันยุตาชากริยานุโยคมีอะไรบ้างท่านบอกว่าทุดงสันเลคธรรมทําเป็นเครื่องขัดเกลวเนี่ยนะทูดงนั้นเชื่อว่าเป็นสันเลขธรรมทำเป็นเครื่องขัดเกลว์ขัดเกลวในจีวรขัดเกลวในอาหารขัดเกลวในเสนาสนะแล้วก็อิริยาบถในการเจริญความเพียรนั้นทุดง13ก็คือก็คือความสันโดษ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 บางภาคนี่เขามีเวทมนต์เป่ายาพิษเป่าพวกพิษงูแมลงป่องเขเป่าถ้ามันเป่าถูกเนี่ยนะแป๊บเดียวมันก็หายแล้วอันนี้เป่าจะเราหมดศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยท่นคนที่เศร้ามองคนที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนะตรัยเนี่ยจึงเป็นคนที่ท่านบอกว่าให้หลีกให้เวน้นให้ห่างได้เป็นห่างนานๆเจอกันทีก็ไม่เสียหายอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะจึงอยู่ว่าเขาอาจจะช่วยประโยชน์ในโลกนี้ แต่ดีไม่ดีบางทีประโยชน์โลกนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะเป็นบุคคลที่ทำลายประโยชน์ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยการคบคนนี่ถือว่าสำคัญที่สุดในศาสนานี้มิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรันทร์ถ้าแปลแบบตรงกันข้ามถ้ายกเอาเอาวตาหาระพลิกกลับมาอีกข้างหนึ่งก็บอกว่าพรหมจันท ร, ร์ที่แตกทาลายเสียหายทั้งหมดก็เพราะปาประมิตรเพราะป่าประมิต ร, ร, ร, ตรจึงทาลายทาลาย กุศลธรรมพระเจ้าชาติศัตรูเสียหายชีวิตอดที่จะเป็นพระโสดาบันก็เพราะครบป่าประมิตรพระสุทินกัลลันธบุตรเนี่ยก็มีอุปนิสัยมักผลแต่พบบุคคลผู้เป็นคนพานก็เลยเสียหายเพราะันชีวิตของเรานี้ถ้าเราเลือกคนคบไม่ได้ก็เลือกเจริญไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเราห่างคนดีก็บอกว่าที่ใดที่มันล่มจมบุคคลใดที่ล่มจมเมื่อห่างคนดี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 มันจะต้องมีสูตรซากสูตรสองสูตรก็ได้ที่เราฟังแล้วเราเลื่อมสเนี่ยนะที่เราเลื่อมใสจิตใจที่ขุนมัวไม่สบายใจใจไม่ผ่องใสก็จะได้ระลึกถึงเช่นสัมปัสาธนิยสูตรรัตนสูตรอ่าเป็นต้นเนี่ยนะถ้าช ก, กสูตรเป็นต้นสูตรเหล่านี้ก็ควรที่จะ ก, กําหนดจดจําเพื่อที่ศรัทธาจะได้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือว่าปาราสาธิกะสูตรเนี่ยนะ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 ทรงจำพระธรรมสามารถที่จะมีสติปัญญาพิจารณาว่าศรัทธาที่ยังไม่เกิดจะเกิดได้อย่างไรศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วจะพอกพูนภัยบูนได้อย่างไรเมื่อท่านจำเนกแยกแยะอย่างนี้ท่านเจึงเจริญวิเศษสภาพคยะคือทำรรที่วิเศษพิเศษนะวิเศษก็คือพิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณธรรมของท่านมีแต่พิเศษพิเศษไม่ใช่พวกศรัทธาธรรมดา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 เรียกว่าคนมีหิริเนี่ยนะส่วนโอตาปะก็ดูว่าไอ้อกุศลเหล่านี้เราก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าสร้างความเสียหายอย่างนี้แล้วผลของอกุศลเหล่านั้นวิบากต่อไปของอกุศลเหล่านั้นอกุศลเหล่านั้นจะให้ผลเป็นอย่างไรเคยเห็นสัตว์อบายไหมเป็นต้นเนี่ยนะสัตว์ในอบายเหล่านั้นก็คือสัตว์ที่ไม่มีหิริโอตาปะอย่างเขาบอกว่าคนที่ไม่มีหิริโอตาปะเนี่ยอย่างในโลกนี้ใครที่ไม่มีหิริโอตาปะกล้าแม้กระทั่งไม่มีผ้านุ่งผ้าห่ม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 ผู้อื่นพิจารณาใครครวญแล้วก็มีความเขาก็เคารพเขาก็ยำเกรงนั้นจิตน้อมไปในการพิจารณาโทษของอกุศลพิจารณาโทษภัยที่จะมีต่อไปในอนาคตอันนั้นแหละเป็นเรียกว่าบริวารของหิริโอตตะปะเป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีหิริโอตตะปะอยู่ด้วยฮิริโอตตะปะเจริญฮิริโอตตะปะดำรงอยู่ในธรรมคือหิริโอตตะปะ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 ผ้านุ่งผ้าห่มหน้าละอายแค่ไหนฉันใดใจของเราถ้าไม่มีกุศลประกอบถ้าไม่มีกุศลประดับอยู่ในใจจะน่าละอายขนาดไหนก็ละอายก้อนก็หาเหตุหาปัจจัยที่จะเสริมสร้างกุศลธรรมให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าทําันไหนกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะได้เกิดทําันไหนกุศลที่เกิดแล้วจะเจริญงอกงามไพ่บูรเพราะว่ากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวอุปธรรม เป็นตัวอุปธรรมกุศลโดยเฉพาะหิริโอตปะเนี่ยนะอุปธรรมให้เจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องและยืดยาวคนที่ไม่มีหิริโอตปะโดยมากแล้วทําอกุศลได้นานทํากุศลได้ไม่นานแต่ถ้าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหิริโอตปะอยู่กับบาปอยู่กับอกุศลเกลือกล้วอยู่กับอกุศลไม่นานก็อึดอัดเหมือนกับคนที่ที่รักษะอาด อาจจะพลาดเดินลื่นไปตกหลุมอุจจาระบ้างแต่ก็รีบขึ้นทันทีรีบชะล้างรีบชำระทันทีฉันทายผู้ที่มีอุหิริโอตปะบางครั้งอาจจะตกไปในบาปและอกุศลแต่ก็รีบชำระตัวเองอย่างรีบเร่งนี่เมื่อเมื่อประสบกับความสะอาดก็จะปกปักรักษายินดีในธรรมที่สะอาดเนี่ยนะความสะอาดทางกายวาจาและใจพันคุณสมบัติของผู้มีหิริโอตปะก็คือดารงอยู่ด้วย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 เป็นผู้ที่ไม่มีความเคารพในพระรัตัน์ตรายเป็นต้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าเราจะเจริญฮิริโอตปะเวนได้ต้องเวนถามว่าเวนเหมือนเวนอะไรเหมือนเราเห็นอสรพิษอาจจะดูน่ารักบ้างเพราะลวดลายของอสารพิษมันดูวิจิตรดูน่ารักดีแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่มีพิษเป็นสิ่งที่มีพิษเป็นสิ่งที่น่ากลัวฉันใดคนที่ไม่มีหิริโอตปะก็เป็นคนที่น่ากลัวฉันนั้น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 อย่างเราทั้งหลายเราจะสังเกตดูความเจริญหรือความเสื่อมของเราเนี่ยนะเราสังเกตจากอะไรบอกสังเกตจากคนที่เราคิดถึงอ น, น, นว่าเขาเป็นศักดิ์บรุท์หรือเป็นอาศักดิ์บรุท์เขาเป็นคนมีหิริโอตปะหรือไม่มีหิริโอตปะคนที่เราคิดถึงคนที่เราพูดถึงคนที่เรามีพฤติกรรมร่วมกันกับคนเหล่านั้นคือคนเช่นใดตัวนั้นนะคือประกาศอนาคตของเราว่าควรจะเป็นเช่นใดเหมือนกับคนที่เป็นอกุศล ก็ประกาศเลยว่าอนาคตทุกแน่ถ้าคนที่ทำกุศลอนาคตก็สุขแน่เนี่ยนะก็ก็เป็นเครื่องเช็คเครื่องตรวจสอบเราได้ถ้าเราคิดว่ากุศลเป็นเหมือนกับมิตรเป็นสิ่งที่มีอุปการะคุณเนี่ยนะเราก็ต้องขยันพิจารณาเนี่ยนะอย่าลืมว่าในพระาศาสนาเนี่ยสุตะนิถือว่าเป็นเหตุใกล้ของปัญญานี่ต่อไปว่า การที่จะเรียกว่าพิจารณาเรื่องศรัทธาพิจารณาเรื่องหิริโอตปะพิจารณาคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยต้องเกิดจากพาหูสัจจะต้องมีการฟังอย่างมากพาหูสัจจะมานแปลว่าผู้ได้ยินได้ฟังมากได้ยินได้ฟังมากนั้นคนที่มีพหูสัจจะนั้นจะเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าด้วยการสะสมมีการสอบถามการประกอบความเพียรในเบื้องต้น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 ตามที่ศึกษามามีการปฏิบัติละสิ่งที่ควรละเวน้นสิ่งที่ควรเวน้นเจริญสิ่งที่ควรเจริญได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับของพหุสัจจ์สมควรที่เราว่าเป็นอลังการของพหูสูตรว่า ง, งั้นเถอะอลังการของพหูสูตรก็คือเว้นจากความชั่วตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพหูสูตรจะตั้งอยู่ในพระสัทธรรมผู้ที่เป็นพหูสูตรจะตั้งมั่นอยู่ในศรัทธา ผู้ที่เป็นหูสูรจะตั้งมั่นอยู่ในหิริผู้ที่เป็นหูสูรจะตั้งมั่นอยู่ในโอตตะปะผู้ที่เป็นหูสูรจะตั้งมั่นอยู่ในวิริยะตั้งมั่นอยู่ในสติและปัญญาตั้งมั่นอยู่ในสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายอันนั้นเป็นผลของการเป็นหูสูรเป็นบริวารของเป็นผู้เป็นหูสูดบางคนก็บอกว่าโอยคนนั้น่ะ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 จึงจะเป็นที่เจริญงอกงามแห่งศรัทธาเจริญงอกงามแห่งวิริยะสติและก็ปัญญาเป็นต้นนั้นความเป็นพหูสูตรนี้เป็นตัวที่ช่วยมากอุปการะมากทาภายนอกที่จะทำให้ให้เจริญงอกงามก็คือการฟังนี่นะประโตโคสะว่าสายความฟังนั่นแหละต้องฟังให้ให้พอ